พระองค์นี้รู้ชัดกรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนโดยอาการทั้งปวงเนี่ยนะเมื่อจะทรงแสดงทุกอันเผ็ดร้อนยิ่งที่มีความยินดีในความสุขนั้นเป็นปัจจัยคือสุขไหนคือสุขที่กเกิดจากการบริโภคกรรมนะของผู้มีสีนะ่ะทุกแม้แต่ความยินดีในความสุ kn นนั้นเป็นปัจจัยสามารถยังความเดือดร้อนใจให้เกิดขึ้นได้แม้ด้วยเหตุสักว่า หันระลึกได้เท่านั้นก็ทำการอาเจียนโลหิตอุ่นๆให้เป็นไปแก่ภิกษุผู้ทูศีลทั้งหลายผู้มีจิตกำหนัดด้วยความยินดีในสุขอันเกิดจากการบริโภคการมาคุณห้าและการกราบไหว้การแสดงความนับถือเป็นต้นก็บอกว่าในขณะที่พระองค์ทรงแสดงพระสูตรนี่นะอักขิคันธูปมาสูตรเนี่ยภิกษุกระอักเลือด60นั น, นะ เลือสดสดๆเนี่ยอาเจียนออกมาเลยนะหกิบเหมือนกันเร่าร้อนขึ้นมาอีกหกสิบเนี่ยโอ้ยผมอาจารย์นี่ทำยากศึกทันทีหกสิบอีกหกสิบรรลุเป็นธาตุหันเหมือนกันพอแสดงสูตรนี้จบนะตัวก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยภิกษุประมาณร้อยร้อยแปดสิบรูปเนี่ยนะติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าคนนี้ไฟกองใหญ่มันกําลังไหม้อะไหม้ต้นไม้อยู่เนี่ยนะผมก็เลยแสดงสูตรนี้เลยว่า ดูการพิสูุทั้งหลายพวกเธอเห็นไฟใหญ่โน้นที่ร้อนลุกพลองมีแสงสว่างหรือไม่เนี่ยนะกำลังไฟที่กำลังลุกดีๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยต้นไมใ้ใหญ่ไฟลุกเนี่ยมันเห็นชัดเดียวนะพิสูุทั้งหลายทูลตอบว่าพวกข้าพระ อ, องค์เห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าจึงตรัสถามต่อไปว่าดูการพิสูุ์ทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อที่ภิกษุเข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่โ น, นูน ที่ร้อนที่ลุกโพงมีแสงสว่างกับข้อที่ภิกษุเข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดนางกษัตริย์เนี่ยนะนางพราหมณ์หรือนางครือหาบดีผู้มีมือและเทา้านุ่มเหมือนปุยนุ่นข้อไหนจับประเสริฐกว่ากันดังนี้ น, นะกอดกองไฟกับกอดลูกสาวกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยอันไหนดีกว่าดังนี้นะพระพุทธเจ้าถามภิกษุนะถ้าของเราตอบอ่ะ กอดกองไฟ ก, กับกอดลูกสาวกษัตริย์นี่เอาไหนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พึงเข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดนางกษัตริย์นางพราหมณ์หรือนางเครือาบดีข้อนี้แหละประเสริฐกว่าข้อที่เข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดกองฝ่ายใหญ่นู้นที่ร้อนลุกโผล่มีแสงสว่างข้อนี้เป็นทุกข์ประเจ้าค่าดังนี้โอ้ยไม่ไว้หรอกกอดคนละอย่างมันร้อนน่ะนั่นน่ะนะ หลายทันทีเลยแหละดูก่อนพิสูจน์ทางหลายเราจะบอกกับพวกเธอดูก่อนพิสูุน์ทางหลายเราจะให้พวกเธอทราบนีอีกสำนวนหนึงเขาบอกว่าเราขอบอกขอเตือนเธอทั้งหลายอีกสำนวนหนึ่งก็าแปลอย่างนั้นสำหรับพิกษุผู้ทุศีลคือคนไม่มีศีลมีความลามกเป็นธรรมดามีความประพฤติไม่สะอาดที่พึงนึกถึงด้วยความรังเกียจเนี่ยนะ คือนึกถึงเมื่อไหร่ก็ตัวเองยังขยะขยั่งอย่างนั้นเถอะมีการงานอันปกปิดคือหน้าละอายไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีคือผู้ประพฤติพรหมจรย์แต่ปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นผู้เป็นพรหมจรีแล้วก็เป็นลงอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนเน่าในเปียกแฉเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเน่าในหรือว่าเปียกแฉเนี่ยเพราะการไหลรถแห่งกิเลสเป็นต้นเป็นที่เป็นไปในทาวารทั้ง6 มีชาติรกเรือเนี่ยนะข้อที่พิกษุพึงเข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดกองฝ่ายใหญ่นะู่นเนี่ยนะแล้วก็ความก ola อันใดนี่แหละประเสริฐกว่านะเนี่ยนะฝ่ายกองโตโตเนี่ยประเสริฐกว่าเข้าไปนั่งกอดนอนกอดลูกเอานางกษัตริย์นางพราหมณ์แล้ ว, ว่านางขึ้าบาดีเป็นต้นนั่นแหละถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการเข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่นูน่นก็จริงอยู่เนี่ยนะขณะเข้าไปก่อดเนี่ยนะตายเลยนะแต่ว่าหลังจากตายเพราะกายแตกทำลายจะพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะการเข้าไปกอดกองไฟนั้นเป็นปัจจัยก่อหามไมิจะไม่ตกนรกเพราะเข้าไปกอดกองไฟอันนั้นเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนการที่ภิกษุผู้ทุศีลมีความลามกเป็นธรรมดามีความประพฤติไม่สะอาดที่พึงระลึกด้วยความรังเกียจมีการงานอันปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจรีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจรีเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีชาติโรคเรือ้อรูปนั้นแหลพึงเข้าไปนั่งกอดเข้าไปนอนกอดนางกษัตริย์้อความกละอันใด โดยการพิสูจน์ทั้งหลายข้อนั้นย่อมมีเพื่อสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เพื่อทุกข์แก่เขาตลอดกาลนานหลังจากตายเพราะกายแตกคำลายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนรก น, นะยกตัวอย่างว่าพราะองค์นี้รู้กรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนอันผู้ที่ทุศีนนะผลหรือว่าไอเจตนาคือศีนอันนี่นะถ้าเจตนาที่ทุศีลอันนั้นเนี่ยสามารถชักปฏิสนธิในอบายทุกขติวินิบาตและนรกได้ นนะเพราะว่าศีลก็คือกรรมนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงทุกที่มีการบริโภคการมาคุณห้าอันเกี่ยวข้องกับสตรีเป็นปัจจัยโดยการอุปมา ด, ด้วยกองไฟอย่างนี้แล้วโดยอุบายนี้นั่นเองก็ทรงแสดงทุกที่มีการถวายอภิวาตถวายอภิวาสก็คือการกราบทำอัญชลีคือยกมือไหว้การบริโภคจีวรบิณฑบาตเตียงต่างและวิหารเป็นปัจจัย โดยการอุปมาเนี่ยนะด้วยเชือกทำด้วยขนหางสัตว์หอกคมแผ่นเหล็กก้อนเหล็กเตียงเหล็กต่างเหล็กและหม้อเหล็กเหล่านี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อที่บุรุษผู้มีกำลังพึงใช้เชือกชักเออพึงใช้เชือกทำด้วยขนหางสัตว์เหนียว พันแข้งทั้งสองข้างแล้วก็เสียดสีไปมาเอาเชือกเนี่ยนะรอบๆแล้วก็ดึงชักนะเชือกนั้นพึงตัดผิวตัดผิวแล้วก็พึงตัดหนังตัดหนังแล้วก็พึงตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็พึงตัดเอ็นตัดเอ็นแล้วก็พึงตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วพึงตั้งอยู่จดเยื่อในกระดูกกับข้อที่ภิกษุ พึงยินดีการถวายอภิวาสของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลครหบดีมหาศาลข้อไหนหนอจะประเสริฐกว่ากันให้คนมากราบกับให้เขาเอาเชือกหนังอันนี้มาดึงแบบนี้เนี่ยนะอันไหนดีกว่ากันพงศ์ภิกษุก็บอกว่าเขากราบดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมพงศ์บอกว่าอ่านะเอาเชือกมาพันแข้งแล้วก็ขัดสีดึงไปดึงมาเนี่ยนะดีกว่าการกราบการไหว้นะของภิกษุผู้ ทูศีลเนี่ยนะถ้าทูศีลแล้วก็มีโทษมากกว่านั้นนะขณะที่เขากราบไหว้เนี่ยนะดูกันพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อที่บุรุษผู้มีกำลังพึงใช้หอกคมฉโลมน้ำมันใ้หอกนี่ก็คมอยู่แล้วนะฉโลมน้ำมันให้มันลื่นๆนนะจะได้แทงเข้าดีๆว่านะประหารตรงหน้าอกกับข้อที่พิสูจพึงยินดีอันชฉลีกรรม ของกษัตริย์มหาศาลพรหมหาศาลหรือกครืหาบดีมหาศาลข้อไหนหนาประเสริฐกว่ากันนะถ้าทูตสีเนี่ยนะเขากราบไหว้กับเอาหอกมาทิ่มเนี่ยนะเอาหอกคมคมที่รับอันดีฉโลมน้ำมันทิ่มยังจะดีกว่าว่างันดูความพิสูจน์ทงหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อที่บุรุษผู้มีกำลังพึงใช้แผ่นเหล็กที่เผาไหม้ร้อนลุกโล่มีแสงชดช่วงหุ้มกาย กับข้อที่พิสูุพึงบริโภคจีวรที่เขาพึงถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาสารพราหมหาสารหรือว่าครือข่บดีมหาสารเป็นต้นเนี่ยนะข้อไหนจะประเสริฐกว่ากันจีวรมาห่มกับแผ่นเหล็กมาหุมเนี่ยนะอันไหนจะดีกว่ากันนะแผ่นเหล็กที่มันร้อนอ่ะนะไฟแดงเลยนะมาหุ้มกับห่มจีวรนะนะอันไหนจะดีกว่ากันละกันดูกัรพิสูุ์ทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไร ข้อที่บุรุษผู้มีกำลังพึงใช้คีมเหล็กที่เผาไหม้ร้อนลุกโผล่มีแสงโชดช่วงงัดปากให้อ้าแล้วใส่ก้อนเหล็กที่เผาไหม้ร้อนลุกโผล่มีแสงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กนั้นพึงไม่ริมฝีปากของพิสูจบ้างพึงไม่ปากบ้างลิ้นบ้างลาคอบ้างท้องบ้างพาเอาทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยไหลออกไปทางส่วนเบื้องล่าง กับข้อที่พิสุพึงบริโภคบินทบาทที่เขาพึงถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาสาลพราหมณ์มหาสาลหรือขุนหาบดีมหาศาลข้อไหนหนอประเสริฐกว่ากันก็อบอกว่าถ้าทุศีลไปกินก้อนเหล็กแดงๆแบบนั้นดีกว่าเนี่ยนะดูความพิสุ์ทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อที่บุรุษผู้มีกาลังพึงจับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วให้นั่ง หรือนอนทับเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็กที่เผาไฟไหม้จนร้อนลุกโผล่มีแสงโชดช่วงกับข้อที่พิกสุพึงใช้สอยเตียงหรือตัง่งที่เขาพึงถวายด้วยศรัทธาของกรรษัตร์มหาสาลพราหมหาสาลหรือครือบดีมหาสา ร, รเนี่ยนะข้อไหนจะประเสริฐกว่ากันนะให้นั่งในแผ่นเหล็กแดงๆเนี่ยมันร้อนกับนั่งบนเตียงตัง้งที่เขาถวายด้วยศรัทธาไหนดีกว่า ดูกรพิสูจน์ทางหลายเพื่อเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อที่บุรุษผู้มีกำลังพึงจับสรีระให้เท้าขึ้นข้างบนให้ศีรษะลงข้างล่างแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อโลหะที่ถูกเผาไฟไหม้เนี่ยนะร้อนลุกโพล่มีแสงโช่อดช่วงสำนวนเร า, เราโยนเข้าไปในกระทะนะถูกเขาต้มเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นข้างบนบ้างบางครั้งก็ จมลงเบื้องต่ําบ้างบางครั้งก็ลอยขวางบ้างนะไอ้เขาว่าไอ้ต้มเป็นๆ เ, เนี่ยนะเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะอ่านๆในในเรื่องจีนหลายเรื่องเนี่ยนะเขาเขามียังมีต้มอยู่นะสมัยโบราณเนี่ยนะเขามีต้มจริงๆอ่ะนะจับเจ้าเมืองบางเมืองที่กบฏ ต, ต่อกษัตริย์เนี่ยนะเอามาต้มเลยนะจับโจนต้มหม้อทั้งเต็มเลยนะนะเรื่องที่จีนเนี่ยมีในในสมัยเมื่อสักถอยหลังไปพันสองพันปีที่แล้วเนี่ยนะอันนี้มีอยู่ เพราะอาต้มเป็นๆแบบนั้นเนี่ยนะกับข้อที่พิสุพึงใช้สอยวิหารที่เขาพึงถวายด้วยศ ร, รัท ธ, ธาของพวกกรรษัตริย์มหาศาลเป็นต้นเนี่ยนะใช้สอยกุฏิเสนาสนะอย่างนี้กับถูกต้มในหม้อนะจะดีกว่ากันเหมืองกันถ้าตอบก็ต้องบอกว่าใช้สอยเสนาสนะดีกว่าใช่ไหมผมขอบอกขอเตือนเลยนะเหมือนนเราขอบอกขอเตือนเธอทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะไปพึิมีพฤติกรรมแบบนั้นดีกว่า คือที่พระองค์กล่าวในลักษณะนี้เนี่ยนะเพื่อให้ทําคืนซะเนี่ยนะคือถ้าเธอผิดพลาดเป็นประราชิกไปแล้วก็เป็นสัมมณี น, นะปฏิญาณเป็นสัมมณีนะนะปฏิญาณเป็นสัมมนนหรือว่าเป็นเครือขัดนะไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานนะเพราะว่าชุดที่ฟังแล้วกระอักเลือดหกสิบเนี่ยนะกลุ่มนี้ลดไปเป็นสัมมณีนะพอไปเป็นสั ม, มเนนแล้วปฏิบัติธรรมหลายองค์เป็นพระอนาคามีเลยนะตอนหลังก็เป็นพระอนาคามีบุคคล มันแก้ไขได้คืออย่าไปปล่อยให้มันหมกหมักหมักไปเรื่อยหมักไปเรื่อยมันเสียหายเห็นไหมมันก็มีวิธีแก้อยู่ะแต่ว่าเห็นโทษแล้วก็แก้ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้เว้นแต่อนันตริยกรรมกับนิยตามิจฉาทิถี น, นี่แก้ไม่ได้ทำมิจฉาทิถีนี่ยแก้ไม่ได้จริงแต่ถ้าเป็นอนันตริยกรรมอย่างพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่นะแทนที่จะตกอเวจีก็แค่โลหะกุมพีเองก็ยังดีอ่ะนะก็แก้ตัวได้ทํากุศลชดคืนได้อะไรได้ เพราะฉะนั้นบัณฑิตเพืงทราบการถึงการเห็นโทษในศีลวิบัติด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่ามีวิธีพิจารณาอีกว่าเออถ้าทุศีลจะมีโทษอยังไงอีกว่าสุขของบุคคลผู้มีศีลทําลายแล้วผู้ไม่ละอยู่ซึ่งกรรมสุขอันมีผลเป็นทุกข์เผ็ดร้อนยิ่งกว่าทุกข์ในการกอดกองไฟจะมีได้แต่ที่ไห น, น, น, นสําหรับบุคคลผู้มีศีลวิบัติ ผู้มีส่วนแห่งทุกยิ่งกว่าทุกเพราะการเสียดสีด้วยเชือกขนหางสัตว์เหนียวจะมีความสุขในเพราะความยินดีในการถวายอภิวาสได้อย่างไรเนี่ยนะเขากราบกับเขาไหว้กับเขาเอาเชือกเชือกขนสัตว์เนี่ยนะมาสีถูไปมาเนี่ยนะไอความสุขในการกราบไหว้เนี่ยจะจะน่ายินดีได้อย่างไงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศีลจะมีความสุข ในเพราะความยินดีในอันกะระทําอันชลีกรรมแห่งคนผู้มีศรัทธาทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์มีประมาณยิ่งกว่าทุกขเพราะการประหารด้วยหอกได้อย่างไรเขายกมือไหว้กับเอาหอกมาทิ่มอกเนี่ยนะก็บ่าหอกทิ่มอกเนี่ยนะดีกว่าที่คนมีศรัทธายกมือไหว้ผู้ที่ไม่มีศีลอันนี้อันนี้สําหรับคนไม่มีศีลเขาพิจารณานะคนมีศีลคนมีศรัทธาก็อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวไป สำหรับบุคคลผู้ไม่สำรวมจะถูกต้องสเสวยสัมผัสแห่งแผ่นเหล็กลุกโผลงในการตกนรกตลอดกาลนานจะมีความสุขในการใช้สอยจีวรได้อย่างไรนะแผ่นเหล็กกับจีวรเนี่ยนะน่าคิดเหมือนกันบิณฑบาทแม้ว่ามีรถอร่อยก็เปรียบเหมือนยาพิษแรงกล้าสำหรับผู้ไม่มีศีลจะต้องกลืนกินก้อนเหล็กร้อนตลอดราตรีนาน อาหารนั้นก็แปลสภาพเป็นยาพิษได้เลยนะการใช้สอยเตียงและตังแม้สมมุติกันว่าเป็นสุขก็จัดเป็นทุกข์สาหรับคนไม่มีศีลผู้จะต้องถูกทุกข์อันเกิดจากการบริโภคเตียงและตังเหล็กที่ลุกโคลงมเบียดเบียนเอาตลอดกาลนานความยินดีในการ อ, าอยู่อาศัยในวิหารที่เขาพึงถวายด้วยศรัทธา อะไรจะมีแก่คนทูศีลผู้จะต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำกลางหม้อเหล็กที่ลุกโคลงพระผู้เป็นครูของโลกเมื่อทรงติคนทูศีลดายตรัสว่าเป็นคนมีความประพฤติที่พึงนึกถึงด้วยความรังเกียจ ต, ตัวเองนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่ก็ยังขยะขยงว่าั้นเนี่ยเป็นคนมีชาติรกเรือเป็นคนเปียกแฉเป็นคนลามกเป็นคนเน่าในเป็นต้น หน้าตำหนิชีวิตของคนทุสีนั้นผู้หาปัญญามิได้ผู้ทรงเพศของสมณะชนแต่ไม่ใช่สมณะผู้นำตนซึ่งถูกกาจัดแล้วถูกขุดไปแล้วเนี่ยนะบอกว่าในบางแห่งเ็าบอกว่าชนบางพวกมีผ้ากาสาวะพันคอว่า้นแล้วก็เป็นหมกไหมในนรกเนี่ยนะ ในพุทธพจน์ในจตุถปราชิกเนี่ยกลาย่าวยังไงสัตว์บุรุษทั้งหลายผู้มีศีลในโลกนี้ย่อมหลีกเว้นชื่อว่าบุคคลผู้ทูศีลใดเหมือนชนผู้รักการประดับประดาคือรักสวยรักงามหลีกเว้นก้อนคูดหลีกเว้นซากศพฉะนั้นคนมีศีลเขาก็จะรังเกียจคนทูศีลเนี่ยนะแบบเห็นแบบโอ้เหมือนซากศพเลยว่าไงไม่อยากเข้าไปใกล้ชีวิตของคนทูศีล น, นั้นจะมีประโยชน์อะไร คนทูศีลชื่อว่าไม่พ้นจากภัยทั้งปวงเนี่ยนะอาคําว่าภัยนั้นยกตัวอย่างเช่นภัยที่เกิดจากติตัวติเตียนตัวเองใช่ไหมตัวเองก็ยังตําหนิติเตียนตัวเองได้ผู้รู้ทั้งหลายเขาก็ใคร่ครวญแล้วเขาก็ติเตียนอีกเนี่ยนะไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกภัยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะจะติดตามประดังประเดยเข้ามาเนี่ยนะเราลองจับดูตาดูสัตว์ในระชันหลายๆตัวที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย เขาไปทําบาปทํากรรมอะไรมาเขาจึงทุกข์ทรมานจังว่างั้นนเนี่ยเหมือนกับไอ้ตัวหนึ่งที่วัดเชียงใหม่เนะ่ยตัวนั้นไปทําบาปทํากรรมอะไรมาเนาะทําไมไอ้เชื้อขี้เรื้อนมันจึงเข้าไปกัดข้างในสะพรุนหมดเลยนะมันคันจนไม่รู้จักเกาตรงไหนดีนะได้แต่เอามือเกาอากาศสั่นเลกๆันนะเอามือขาเนี่ยหงายขึ้นกัางมดแล้วเกาอากาศมันไม่รู้จักเกาตรงไหนอ่ะมันคันไปทั้งตัวว่างั้น แล้วกบที่มันถูกถลกหนังอย่างเงี้ยมันไปทําเบนทำกรรมอะไรมานาะโอ้มันมันนะนึกนกโอ้โ ห, ออห و, ไอ้กิเลสในอดีตนี้ก็ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะแต่พ้นจากสุขในอธิคมทั้งปวงถ้าไม่มีศีลแล้วสุขในการบรรลุมรรคผลก็ไม่มีแล้วเชื่อว่ามีประตูแห่งสวรรค์อันปิดสนิทแล้วนะประตูสวรรค์นี่ปิดเงีบเลยนะไม่ไม่รับคนแบบนี้ย่างขึ้นสู่ทางอบายเนี่ยนะตกไปสู่ทางอบายคือทางแห่งความเสื่อม โดยทายเดียวคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาคือว่าเป็นผู้น่าสงสารของชนผู้มักกรุณาเสมอด้วยคนทุศีนเขาบอกว่าเวลาเจริญกรุณาเนี่ยให้เจริญกับคนไม่มีศีนมากๆแนละ้วเราจะเห็นใจเขาอะ่ะโหถ้าบาปประกรรมเหล่านั้นมันให้ทนนะนะโหเมื่อไรมันจะจบจะสิ้นสักทีหนึ่งนะเขบอกว่าคนทำชั่วทั้งหลายแลเนี่ยนะ ถ้าเห็นเป็นคนอื่นเนี่ยนะบางทีเราอาจจะนึกโกรธนะถ้าลองเป็นญาติเราดูเห็นไหมแล้วญาติเราเขาทําไม่ดีเนี่ยนะถ้าเขาเป็นเป็นคนที่เราสงสารเขามากเป็นคนที่เราการุณาเขามากถ้ากรรมอันั้นมันให้ผลนะเขาจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนนะนึกถึ ง, งแม่พระสารีบุตรมีชาติหนึ่งนะเกิดเป็นเปรตแม่พรแม่พระสารีบดเนี่ยมาขอส่วนบุญกับพระสารีบุตดนะพระสารีบุตรก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยนะขนาดตายแล้วไปเกิดเป็นเปรต โทษทั้งหลายแห่งความเป็นคนทุศีลทั้งหลายมีอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นก็บอกงั้นนะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือกล่าวถึงโทษแห่งความทุศีนนั่นเองว่าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะแล้วคิดดูนะถ้าหากว่าทุศีนเนี่ยนะสัตยธรรมทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะโล ก, กุตระธรรมทั้งหมดเนี่ยการเจริญงอกงามในกุศลธรรมทั้งหลายแล่เนี่ยนะทราบคือศรัทธาเขาในพระพุทธเจ้าก็ไม่ดีแล้ว่นะ ซับคือศีลก็ไม่มีที่เขาไม่มีศีลเพราะเขาไม่มีฮิริโอตา ป, ปะเนี่ยนะเขาไม่มีศีลคือฮิริโอตา ป, ปะซึ่งเป็นเหตุใกล้แล้วก็ไม่มีทรัพย์คือสุตะถึงเรียนมาแล้วก็เอามาตรึกไม่ได้เนี่ยนะเพราะมันฟุ้งซ่านอ่ะเพราะว่าคนเหล่านี้จะวิปปิสารไอ้วิปปิสารก็คือกุกุจะนั่นเองเดือดร้อนในความชั่วที่ได้ทําไปแล้วแล้วก็เสีาายใจใน ความดีที่ตัวเองยังทําไม่ไม่เพียงพอเพราะ น, น, นึกเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจทุกใจยอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอริยรัพย์ทั้งหลายแหล้ก็ไม่ไม่เกิดยิ่งซัพย์คือปัญญาด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเอาเรื่องกรรมมาคิดเมื่อไหร่มันก็เราทั้งนั้นหลยนะแต่ความชั่วมันให้ผลใครเราอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรร ม, มสกตาเวลาพิจารณาในเรื่องกรรมเป็นต้นก็ไม่ไม่สบายใจเพนั้นอริยรัพย์ทั้งหลาย ก, ก็จะเสื่อมไปพระพุทธศาสนามีมาในโลกเขาก็เป็นคนที่ เนี่ยนะหายไปจากศาสนาเลยนะน่าจะมีส่วนบ้างมีเรือค่มีสําเภาลิ่มหนึ่งมารับเนี่ยนะแล้วก็ถูกฉลามมันกัดกินอยู่เท่าเดิมอ่ะนะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยศาสนาเนี่ยไม่ได้สงเคราะห์ อ, อะไรเขาเหล่านั้นเลยถ้าหากว่าศีลไม่ดีเนี่ยนะพันก็เอาไว้เจริญกรุณาดีนะใครทุศีลเนี่ยโอ้โหเจริญกรุณาดูโอ้ถ้าจริงคนนั้ น, น, นเนี่ยเป็นญาติเราด้วยเป็นอะไรด้วยเนี่ยนะไม่สบายใจเอาเลยอะ่นะเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆ แต่ทีนี้ของเราเองกั น, กนถ้าเราทุศีลเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นคนที่น่าเจริญกรุณาให้มากที่สุดเลยนะทุกทั้งหลายแหละใครเป็นคนรับแหละเห็นไหมเหตุผู้ใดทําผู้นั้นแหละก็จะรับนั้นเขาใช้คําว่ากรร ม, มสกตารอัสกะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าตัวเองอนะแปลว่าตนนั่นแหละมีเจตนาเป็นของของตัวนั่นแหละมีกรรมเป็นของของตัวมันจะสมควรแก่เจตนาทีนี้เมื่อไหร่เราจะแปลเจตนาแปลสภาพเจตนาที่ชั่วเหล่านั้นเนี่ยนะมาเป็นเจตนาศีลซะ นะแปลสภาพเจตนานั้นมาเป็นเจตนาศีลแปลเจตสิกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเจตสิกศีลแปลงความไม่สํารวมเหล่านั้นมาเป็นสังวรศีลเนี่ยนะแต่ความร่วงละเมิดทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นอวีติกมามศีลเนี่ยนะถ้าหากว่าเราทั้งหลายสามารถแปลสภาพสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกุศลศีลได้เนี่ยนะชีวิตเราก็ไม่อาภัพแล้วใช่ไหมเนะี่ยเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นรากเงาเป็นพื้นฐานเป็นประธานที่จะทําให้เจริญ ง, งอกงามใน กูลธรรมทั้งหลายต่อไปอีกนะอย่าไปทําบาปทํากรรมให้ตัวเองนะักแตใช้ได้ล้วเพราะว่าปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลด้วยใช่ไหมปัญญานี่เป็นศีลด้วยใช่ไหมปัญญานี่เป็นญาหน้าสังวรไงปัญญาก็เป็นศีลนผู้ที่เจริญนิพพสนานี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ศีนนะก็ยังเป็นศีลอยู่นั่นแหละเพราะว่า คำว no ่าญาณสังวรก็คือปัญญาที่พิจารณาถึงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงก็ชื่อว่าญาณสังวรหรือว่าปัญญาที่พิจารณาสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ก็เป็นญาณสังวรปัญญาที่พิจารณาว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตก็เป็นญาณสังวรปัญญาที่พิจารณาว่าสังขารมีเพราะวิชาเป็นปัจจัยก็เป็นญาณสังวรปัญญาที่พิจารณาถึงว่าวิญญาณมีเพราะ สังขารเป็นปัจจัยก็เป็นญาณสังวรเนการแทงตลอดปฏิจจสมุปาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมก็เป็นญาณสังวรหรือผู้ที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นอสาธาอาทีนวะนิสารณาแห่งมหาภูตรูปก็เป็นญาณสังวรผู้ที่ชิดพิจารณาเห็นเหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสารณาแห่งอุปาทานขันห้าก็เป็น ยานาสังวรเห็นไหมผู้ที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นอาศาธ า, าเห็นอาทีนวะแห่งแห่งอะไรำ เ, เป็นไหมอุปาทานคันห้าพัสสะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งก็คือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดา อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยานสังวรด้วยเหมือนกันนั้นคำว่ายานสังวรเนี่ยกว้างขวางวิปัสสนาทั้งหมดก็ชื่อว่ายานสังวรและอย่างหนึ่งศีลเนี่ยนะเขาเกิดร่วมกับอริยมรกด้วยนะเกิดร่วมกับอริยผลด้วยนนะนะเพราะว่าในขณะมัคจิตผลจิตก็ยังมีถ้าเอาวีรตีสามก็ยังมีศีลเนะนี่ยนะั้นศีลเนี่ยเกณฑ์ความค่อนข้างลึกซึ้งกว้างขวางมาก ศีลเนี่ยเป็นธรรมะที่มันยิ่งใหญ่นะแล้วแต่ใครอะ่ะใครมีคุณธรรมน้อยก็นึกว่าศีลเนี่ยไม่มากมีไม่ค่อยเยอะหรอกถ้าคนที่มีคุณธรรมมากๆ ก, ก็จะรู้ว่าศีลเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆงนะกุศลศีลเนี่ยนะเพราะว่าศีลเนี่ยนะเป็นธรรมะส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นถึงความเป็นบารมีด้วยนะเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเนี่ยนะซึ่งไม่มีผู้อื่นเปรียบเทียบได้แล้วก็เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคนทั้งหลายก็เอาศีลของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกเลยนะไปเทียบกับคุณคือศีลของพระพุทธเจ้าก็เทียบไม่ติดแล้วเนี่ยนะเอาทั้งหมดเลยนะเอาทุกคนเนี่ยรวมๆศีลกันแล้วนะเอาไปเทียบกับของพระพุทธเจ้ายังไงก็เทียบไม่ติดเลเนียนะ ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติด้วยวิมุตติญาณทัศนะเคยเจริญบทว่าอนุตตรโรไหมพุทธคุณบทว่าอนุตตรโรแปลว่าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติด้วยวิมุตติญาณทัศนะและด้วยคุณธรรมยังอื่นอื่นไม่มีใครเหนือพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือศีลเนี่ยนะถ้าจะไล่เอาของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็มีศีลที่ มากมายมหาศาลจริงๆเนี่ยนะเขาส่วนใหญ่เขาบอกว่าฟ้ากับดินเนี่ยนะฟ้ากับเหวเขาบอกให้มันห่างกันดูให้มันห่างกันนะเองนันสุวิธูรสูตรอังคุตระนิการจตุการนิบาศกล่าวถึงผ่านกับบัณฑิตเนี่ยนะว่ามันห่างกันเหมือนกับว่าสมุดฟากนี้กับฟากโน้นห่างกันท้องฟ้ากับแผ่นดินห่างกันเขาบอกั้นผ่านกับบัณฑิตห่างกันกันนะในสัย อันนะั้นให้ม่ดูลึกกว่าดินหน่อยกล่าวถึงโทษในปัจจุบันและโทษในอนาคตเยนะในอังคูตรานิกาเนี่ยนะกล่าวถึงวิธีลงโทษที่ชนิดที่ว่าคนสมัยนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ได้แต่วิธีลงโทษเหล่านั้นนั้นนะตามที่ฟังหมอวรนลบแล้วอ่ะก็บอกว่าไปดูลักษณะของคนไข้ในโรงพยาบาลจะมีสภาพเหมือนนักโทษเลยครับว่า คนไข่าบางส่วนเนี่ยนะที่ถูกสวนทวารถูกแทงถูกอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอบอกว่ามีสภาพเหมือนนักโทษนะมอวันลบเขาเล่าให้ฟังว่าไงนก็นอบอกว่าเราไม่ได้เห็นไอ้สภาพที่ถูกแทงถูกอะไรแต่ว่าในกระบวนการรักษาเนี่ยจะมีสภาพแบบเหล่านั้นเลยนะมอเาเร า, าให้ฟังนะ